ท่านถื่อน <Hi. S 1> hey, ีถนฟาวันหน้ามันหายเงี้ยเนี่ยดีดีท่านดีมันนี่น่อยแต่เดี๋ยวดีแต่ว่าท่านดีมันหลายคนยงได้เยอ่ดีอย่างมากอย่างนี้ยมที่ท่านงานมาจากท่าได้เยดีท่าจะกประกอบขั้นดีเหตุบนี้ผลนั่งเกิดแล้วเหตุผลนั่งเกิด วันนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นวันธรรมตะวัะตามภาษาของศาสนาคือวันตั้งธรรมกลุเป็นภาษาไทยไทยเราถ <c oughs> ือว่าเป็นวันอุบสถก็เรียกอุโบสถก็คือวันเข้าไปสงบจิตทั้งสองอย่างนี้ <c oughs> เป็นวันสําคัญแก่ชีวิตของมนุษย์ทุกปู่ทุกคน การฟังก็ให้เกิดสติปัญญาก็ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องหากเราฟังโดยการที่มีพีจเเเ น, นะวินิจัย ใ, ในถอยคำที่กันพูดไป <c oughs> แต่นั้นกันจริงมีฟาสิตธ์เอาไว้ว่าสุสังและปะเิปัญญาฟังโดยดียอมเกิดปัญญา คือการฟังของพวกเราที่จะเกิดปัญญาได้ต้องเอาใจใส่ต่างใจฟังฟังไปแล้วกว็ที่นี้ที่เจรณาสาระแก่นสารในการที่ท่านพูดไปนั้นมันผิดที่ไหนถูกที่ไหนถ้าที่ใดมันผิดก็รีเรียงอย่าไปยึดไปถืออย่าไปเก็บเอามาใส่ใจทั้งตัวทิ้งไป ต่อยไปที่ไหนมันถูกจีด <c> ค <oughs> วรจะนำมาประเพื่อปฏิบัติดำเนินชีวิตของตัวให้ดีก็นำมาประเพื่ปฏิบัตินี่ฉันเรียกว่าฟังโดยดีไม่ใช่ว่าแันแสดงอะไรก็เจ็บเอา้ปหมดดีชั่วผิดถูกแต่อย่างนั้นมันไม่เกิดปัญญาให้และการฟัง <c oughs> ที่จะได้สาระประโยชน์นั้น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 ตำหนิเต็หมดว่าไม่ดีเต็หมดแต่าหากเราไปชมถ่ายเดียวถือเอาถ่ายเดียวว่าท่านพูดไปนั้นถูกหมดนั่นก็ไม่เกิดปัญญาอีกเพราะการพูดไปมันผิดมันก็มีถูกมันก็ ม, ด ม, กมีดีชั่วมันผสมกันอยู่นั้นเนี่ยเหมือนกันกับอาหารถึงจะเขาทำตั้งเรล็กใส่ถ้วยใส่จานมาถ้าเป็นพวกปลามันก็มีก้าง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 <c oughs> เม็ดมันนก่อทานไม่เคยในผลในประโยชน์เราเลือกเอาอันใดถือเป็นของมีคุณค่าสาระประโยชน์มีการฝูดธรรมะขอทานองเดียวกันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเลือกคาดจัดหานำมาประพฤติปฏิบัติแก้ไขกายวายใจใจของตัวละชั่วบำเพ็นดีนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้า ในมาศสาศรูในโลก <c oughs> มากนหลายองค์ไม่ใช่มีตังเสียพะนนระพุทธเจ้าสมนะโคเดมเท่านั้นที่ลวงระดับขันไปอย่างสวดสัมพุทเทนับไม่ได้หลายหลายขยวดแต่สวดเราที่ไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ตั้งใจที่นิพพิจรารณาก็เลยไม่เกิดสาระอะไรให้ของเถี่ยวเวียนไหว่ายเกลืออยู่อย่างนี้ ไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรถึงเกิดท่านในสมัยของท่านตัดรูปประกาศศาสนาแต่พวกเราไม่ได้สนใจในอาจธรรมที่ท่านเนี้ยสอนสมเหมือน ก, นกันกับไม่เห็นมันจะไม่เกิดประโยชน์ให้ถึงเห็นไม่สนใจเพื่อที่จะศึกษานำมาใส่คิด แเกิดแก่ตายจิตของตัวมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้อีกเหมือนกันเพียงแต่เห็นเท่านั้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดปัต่วัคทีย์เคยมีทางตัวหนึ่งมาเห็นท่านที่เดินผ่านไปด้วยอำนาจตามสวยงามของท่านพระพุทธเจ้าเป็นคนสวยงามรูปของท่านสามารถที ทำคนทั่วไปให้เดลื่อมใสสศรัทธาเพราะรูปสวยคนที่ชอบรูปสวยเล้่ยจะต้องสิตในพระพุธทธเจ้ายกตัวอย่างวัตริถ้าท่านจะเป็นผู้ชายด้วยกันก็ยังหลงรักหลงชอบพระองค์ท่านจนได้ออกไปบวชยังเห็นท่านผ่านไปวินเทาบาร์ดไม่พอต่อความต้องการถ้าเป็นสาวว่ดจะไปเศร้าดูแล อยู่ทุกระยะกล็ลำบากต้องออบวัซรจงจะได้เศร้าอยู่ทุกการทุกเวลานี่เพราะลูกของฉันสวยงามผู้ชายเดียวกันก็ยังหลงไหลใฝ่ฝันอยากเห็นนี่พราะพุทธเจ้าฉันสวยอย่างนั้นฉันเดินผ่านไปจะไปเปิดปัญจวัตรที่ทามคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้ามีรัศมีสีแสงสวยงาม ก็เลยถามท่านทั้งที่ไม่ทร า, าบว่าท่านเป็นใครถามท่านว่าท่านบวชกับใครใครเป็นครูเป็นาศาสดาของท่านพอเห็นพระพุทธเจ้าวสวยงามเลยถามพระ อ, องค์ว่าเราไม่มีครูมีอาจารย์เราเป็นาศาสดา ไม่ได้บวชกับใครบวช้วยตนเองต่อเพื่ปฏิบัติด้วยตนเอ ง, ร, เองรู้เห็นโดยตนเองตามตัวนั้นไม่เชื่อสันสีษะแหลบลิ้นหนีไปนี่เพียงเห็นไม่สนใจมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้พวกเราท่านที่เคยเวียนว่ายตายเกิดในวัดต่สงสารก็ เ, เคยพบเคยเห็นพระพุทธเจ้าที่มาตักพอเราเกิดมานี้นับไม่ถ้วน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 แต่จาไม่ได้ว่ า, ม, ามันทุกอย่างไรมันทุกอย่างไรเมื่อมันทุกกระบวนการเรื่องทุกเมื่อจากทุกไปแล้วก็ลืมเสียว่ามันทุกนั้นมันเป็นมาเพราะเหตุไรมันทุกก็ทํานองเดียวกันมันสุกมาเพราะอะไรไม่ใส่คิดพิจรนารณาไม่ได้ศึกษาทบทวนดูเดี๋ยวมันเป็นมาอย่างนี้ แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพานไปพวกเราท่านก็ยังมีอํานาจวาสนายังเกิดทันศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงบ่งบอกแนะสอนเอาไว้ถึงปรินิพานไปกว่าไปตั้งแต่กายของท่านพระกายของท่านแตกสลายไปธรรมดีในที่ยังอยู่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแน่สอนก็เหมือนพระองค์เองทรงแนสอนสิ่งที่ชั่วที่ดีต่างๆที่ท่านบอกให้ละให้บําเพ็ญยังมีอยู่ในตํำรับตาราในครูในอาจารย์ที่ท่านนำนำมาแน่สอนพวกเราท่านถ้าเรากําหนดที่นิพพจนฟังแล้วไต่ตองเห็นว่า ถูกต้องควรละควรบาเพ็ญก่อละก่อบำเพ็ญไปตามคำแน่สอนของท่านพวกเรา <c oughs> ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาละชั่วบาเพ็ญดีอย่างนั้นก็จะเห็นความสุขอศัศจรรย์นในตัวของตัวเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ประเสร์สุขเย็น ใน ม, มีอะไรเปรียบในโลกรสชาติของธรรมที่เราเห็นเราเป็นในใจชนะรถทั่วไปสันจิว่าสัพสพะสภพะรัตสังธรรมรสโสสินาติ<ม>รถของธรรมชนะรถทั่วไปสภะรัตสิงธรมรมารติทสินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั่วไป นี่คือพาษิทิ์ที่ดั่นศาสเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ จ, จังจงัแต่นั้นพวกเราท่านที่เกิดมาทันพระพุทธเจาศาสนาจึงมีโอกาสเวลาที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปหาผลมรรคผลนิพานไปมรรคผลนิพานนั้นท่านเอาไปได้ตั้งแต่เฉพาะเรื่องของท่าน ที่ทำขึ้นปฏิบัติขึ้นแต่คำสอนนั้นยังเหลืออยู่เหมือนกันกับเราเดินทางไปตั้งแต่ตัวของเราถนนท้องทางเราไม่ได้แดกหามไปคนที่อยากจะไปสู่จุดนั้นก็ไปกันได้เพราะถนนยังอยู่นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังตรงอยู่ไม่มีอะไรที่เสยหายไปเสด็นทานศสดภาวนา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 ทำสอนไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนอย่างเดียวกันทั้งหมดที่ว่าสัพพะปาปะชะการณังปุสละสู้ปั้นพัชชาเศรกิจต่าปริโยทัพปานังเอตังพุทธานาสาสนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้นี่เป็นภาษาบาลีไม่ใช่เป็นภาษาไทยสัพพปาปะชะการณังหมายถึงบาศ ชั่วทุกอย่างทําไม่ดีทุกอย่างถ้าพุทธเจ้าหอเว้นจะเป็นการทำโดยกายข้อตามจะเป็นการพูดโดยวาจาข้อตามจะเป็นการคิดโดยใจข้อตามเป็นกรรมถ้าทำลงไปในทางชั่วถึงคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราทําชั่วลงไปความชั่วนั้น ก็มาแทกเผาตัวของเราเองคือทำให้เราเดือดร้อนไม่สบายวุ่นวายเศร้าหมองภายในจิตของตัวนี่คือความชั่วไม่ว่าทำม่ว่าพูดไม่ว่าคิดทางชั่วเราในราบาชั่วกวดตามถ้าหากจิตมันเศร้าหมองจิตเดือดร้อน และชื่อว่าเป็นเรื่องชั่วที่เราทําไปพูดไปคิดไปท่านจริงให้ละเว้นไม่ให้การทำำําบําเพ็ญเพราะความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ในมีความชั่วที่ไหนจะให้ผลเป็นสุขมิแต่ให้ทุกข์แก่ตัวคล้องตัวและปูกเกี่ยวข้องความชั่วเหมือนกันกับไฟ ไม่เผาใครเท่าคนนั้นก็ได้รับทุกคนที่อยู่ใกล้ไฟก็ได้รับความร้อนเพราะไอ้ของไฟมันไปถึงยิ่งไปจับต้องเท่ากับยิ่งร้อนไหมนีม่ไฟมันมีความร้อนอย่างนั้นความชั่วก็เหมือนกันคนชั่วเพียงคนสองคนเท่านั้นอยู่ในหมู่บ้านของเราเป็นโจรเป็นขมโมย เราจะมาวัดมาวาไปจำศีลภาวนาหรือจะไปทำการทำงานทำนาทำสวนถ้าคนชั่วมีอยู่ในหมู่บ้านของเราคอยดักลักขโมยจี่ปอนอันนั้นอันนี้เราไปก็เป็นห่วงลำบากกลัวเขาจะขโมยอันนั้นกลัวเขาจะขโมยอันนี้บางทีมันก็ขโมยจริงๆทำไมระวังรักษามันขโมยไปเราก็เสียใจ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 ท่จึงว่าชั่วเป็นของไม่ดีให้ละเว้นอย่าไปกระทบำบาเพ็ญนี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์สอนให้มนุษย์ละชั่วทั่วไปไม่ว่าชั่วทางใจทางบาจาทางกายแล้วสอนให้มนุษย์ทากันตัางหน้าต่างตาปฏิบัติรักษากระทำําำเพ็ญ ถึงความดีอยู่เชลสู้ประชัมประทาหมายถึงทำความดีทั่วไปจะเป็นการทำการพูด ก, การคิดก่อยคิดในแง่ดีมีสติตรวจตาทิจรารณามีปัญญาใส่ตองไขขวรทำอันนี้ไปถ้าเขาทำจะเราเราจะเสียใจหรือจะดีใจถ้าหาก เขาทําแกเราเราเสียใจเราไปทําแกเขาเขาก็ต้องเสียใจเหมือนกันนี่คือการคิดที่จะทําเมื่อลงมือทําไปถ้าหากทําอันใดให้แกคนก็ดีแกสัตว์ก็ดีเขาดีใจเขาสบายใจในเบียดเบียนเขาในเบียดเบียนเราได้ชื่อว่าไม เป็นความชั่วเป็นความดีผู้มาเห็นที่เรากำลังจะททำบำเทนอยู่อย่างนั้นเขาก็ดีใจอนุโมทนาสาธุเพราะเห็นว่าการทำของเราถูกต้องดีงามไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นการพูดก็เหมือนกันพูดสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เนี้ยให้เขารู้จัก ผิดถูกดีชั่วต่างๆการคิดวาคิดไปในแง่ที่ดีแลีชื่อว่าทำความดีประกอบการกุศลและชื่อว่าทำบุญคือจิตใจมันเย็นจิตใจมันสงบกุศิทำความดีอย่างนั้นตัวเอง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 สะสมให้กระทำขึ้นนี่เรืย่ยงกความดีเป็นขอ้อจีองทีง่พระพุทธเจ้ารงแนี้สอนเอาไว้หม่ว่าพระพุทธเจ้ า, าองค์ใดสอนเห้ละชั่วบาเพ็ญดีและกระทำจิตของตัวให้ผ่องใสาการทำจิต ทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนจิตใจของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่มันไม่ผองใสมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมืดมนอนทาการอยู่ตลอดเพราะมันไม่ผ่องใสให้ มันจึงหลงไหลใส่ันจิดข้อเห็นของเน่าของเหม็นว่าเป็นของหอมของดีเห็นของทุกข์ยากลำบากลำคาว่าเป็นของสุขของสบายพอมันเมืดอมันบอดมันไม่เห็นตามเป็นจริงให้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 ตามเป็นจริงของมันความอยากดิ้นรนกรวนกวายของใจจะหมดไปดับไปเพราะเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นถูกต้องตามเป็นจริงของมันไม่ว่าธาตุขันของตัวเองเลือกสิ่งภายนอกสัตภายนอกคนอื่นนอกตัวของตัวถ้ามันเห็นจริงเป็นจริงอย่างนั้นจิตของท่านมันผ่องใสมันมองเห็นสิ่ง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 มันมองไม่เห็นให้ยิ่งขุนแล้วก็ขุนเต็มที่แล้วมองไม่เห็นอะไรเพราะเอาอะไรไปหมักไปดองไในนั้นมันก็ไม่เห็นให้เพราะมันไม่ใส่ไม่สะอาดจิตใจของพวกเราท่านกับทํานองเดียวกันมันขุนมันโปะกระโปะด้วยกิเลสตัญหามานะทิสฐิไม่เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมัน มันจึ ง, งหลงไหลใสฝันใข่จิตจิดข้องถ้ามันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะละของมันจะถอนของมันจะไม่มีวันเสียจิตเสียใจนี่คือผู้ประเฤตปฏิบัติขับไล่ตามเสาหมองค้องใจด้วยการภาวนาชำระจิตของตัวขี่ชั่วขี่เสียขี่เสาร์ขี่มองให้ตกออกไป จนใจผ่องใสใจสะอาดตัวคล่องตัวรู้ตัวคล่องตัวเห็นในใ่คนอื่นรับรองให้เราเห็นเราเป็นภายในของเราถ้าประพฤติปฏิบัตเหนือนเรารู้เราเห็นเราเย็นเราส ง, งบสิ่งที่เคยมายั่วยุจิตใจให้โลภ ก, ก็ดีให้โกรธก็ดีให้หลง ก, ก็ดี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 คือสติปัญญามันมีมันไม่ใช่ว่ามันจะโง่ตลอดการนี่คือการปฏริบัติในจิตในใจทำจิตทำใจของตัวให้่องใสทำจิตทำใจของตัวให้บริสุทธิ์ผู้ที่ทำได้มีความสุขความสบายมีความประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกเรามากเลือกเกินท่านไม่มีการหวั่นไหว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 ไม่ว่ากลางวันกลางคืนไกลไกลที่ไหนควรจะได้มาก็แสวงหาจิีงที่ตัวไม่ปราถนามันเกิดมีมาจากไกลกว่าตามไกลกว่าตามก็เกิดทุกทุกโดยที่ใจเพราะใจหลงไหลใจไม่ต้องการ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 เรื่องเรื่องเหล่านี้มันยังมีมาอยู่แต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าอยู่สาวกถ่วงไปท่านอยู่ในโลกที่ไม่ติตผ่องท่านเป็นอย่างไรถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติใจของเราเข้าถึงความผ่องใสเข้าถึงความบริสุทธิ์เราจะขราภายในตัวของเราว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนี้สาวกท่านอยู่อย่างนี้ทั้งทั้งทีอยู่ในโลกแ่โลกก็ไม่สาดท้าในตัวเอื่อน จิตใจของท่านสะอาดทองใสวริสุ์อยู่ทุกการทุกสมัยนี่คือใจที่สำละกำจัดกิเลสตันหาออกไปมันมีความสุขความสบายความเสรฐ อ, อย่างนั้นไม่มีวันเวลาที่จะทุกข์เดือดร้อนทั้งทั้งสี่เขาเหล่านั้นในโลก เขาทุกข์เขาเพินเขาหลุมเขาหลงแกท่านไม่เเพินในหลงไปตามเขาเพราะทานทิเจรนาดวดปัญญาของท่านเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงของมันจากนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ให้ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษาการจัดชั่วบำเพ็ญดีคนนั้นแหละจะมีความสุขความสบายภายในจิตในใจของตัวแต่เรื่องของกายนั้นมันเหมือนกันใครเกิดมาที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีนั่นก็ต้องไปเหมือนกันหมดแต่ใจมันไม่เหมือนกันโดยใจของฉันมันไม่หวั่นไหวใจของฉันมันสุข มันเย็นถึงจะไม่ถึงพระนิพพานยังมีการท่องเขี่ยวเวียนไหวใ้เกิดมีพบนี้ชาอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้เสียใจเพราะบนปู่นรีเราก่อร้างสร้างไหวมันมีอยู่ในใจของเราเหมือน ก, นกันกับคนที่มีสมบัติเข่าของถึงบ้านช่องจะถูกไฟไหม หรือเขาขับไล่หนีแต่เขาขอเงินทองที่เราสะสมเอาไว้มีจะไปสร้างบ้านใหม่